พระธรรมเทศนาจารดกเรื่องสังสินธนใจูกตีห้าเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูป ร, รียนทําหกประโยคนักทําเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายนาโมตัสพกภวะโตอะระหโตสมมาสัมพุท t สา อาทาโคุภเตวิญญสะหาพุทธิหิปาสสติวสิตรติสะทาวดูราสะปุริจตาทั้งลายทั้งยิ่งใจจูผู้จุงทายูดาฟัง นี่ใาญ ย, ยังไปแจ้งพระติ่งแสงเตสนาวาทะทโคอุโพเทวีโยดังนี้เป็นต้นพิกาเวดุราพิกูตั้งหลายอาธาในกาลนันไสสองแก่นไทยเตวีผูมิสัลีวิลาชอยู่ภาสาเชียงคาน คงสำราญจืน่นโซยยอดอยัยอยู่ภายในกับใสใจลูกเต้าฟังกำเล่าตูนสารแห่งคนหานพวกน้อยหา้ยเกาถอยตามมีสองเตวีนอลาดังฟ้าพาจับตนใจเววนตกสลังสติปังวิตวาม โสกตุกลามทางคอนอกสาต้อนควัดไกวว่าเป็นสันได้ปีเต้าคิ้วโคเท้าบุตาตาโตตังจาบบบอกเฮ <c oughs> ือแจงหนอกขันไดฟังกำไขจุลอกแข่งเท่าสะกอกหมอตายมันอูบายเก่าทอยกวัวลูกน้อยสองสรีได้เป็นดีไปน่า จริงเือเจ้าฟ้าพิตาเอาสองขาหนอน้อยไปละปล่อยดงไผสู่จุงไปน่อมใบสึงเต่าไทยราชาว่าสองบุตรตาหนอน้อยเป็นเจ้อถอยสามานมีสมพานตำเจ้าเป็นเจ้อข้าห่อควางสองกูนางเป็นแม่ก็แม่นแต่ตาสี บ่กวรดีร่วมคางกับเจ้าจ้างห่อใจกูจากไปบ่อยู่ไปเป็นกูมุดตาอยู่ดงนาเตือน ท, นทองบ่อวงคองห่อคำ <c oughs> ส่จุ๋งํำเมื่อวัยส่งตาวไทยบัดเดียวนี่เด็เตอ จุมคนห่านมวลโม่แล่นไปสู่โรงกันแล้วปักกันน้อมใบซึ่งตาไทยตามคำเจ้าหอคำกุศราช์ฟังถ้อยว่าทูลสามีกธาเดือดไม่ว่าแม่นางถ้อยไรตั้งสองมีใจปองจักกว่าไปอยู่ป่าดงนากับบุตตาถ้อยเจ้าก่อจุงกว่าตามใจ สู่จุงไปบอกก่าว้อรู้ขาวเร็วปันแดดเตอรตีนั่นจุมคนหานน้อมไหวซึงเตาไทยราชารีบไก่กาไปสู่ยังตีอยู่เทวีไค่ตามีแต่เกา้าเฮร้องแม่เจ้าตามไรกอมีหันและนะ ตาสมิ่งคาเดในคานั่นใสนางนาทายสุวรรณนาปรพานเป็นจายามิ่งเก้ากอุ้มเอาเจ้าสิงหราชบุญมีส่วนเตเวีสุดซอยกอุ้มลูกน้อยใสยใจคือสินธนุใจญะราษตุกใบบาทเลือ ก, การหัวอกปานแตกอาสองนอลาเตเวี ให้วาตีเก่าทอยลาข้าคอยกัญ่าวาดุระตันตั้งลายเฮยมวนบูสูจุงอยู่สดเสดีอย่าได้มีโศกเศร้าทุกคำเจ้าเ จ, าเจยบ้านสุขสำรันย่าขาปุงพยาิอุนต า, ายจุงนี่หายห่างค้าง อย่าตีนข้างสันดานฝูงไผบ้านอุบาทอย่ามาปาดกัญญากูขอลาตั้งหมู่เข้าไปสู่ดงดำตามเมนกำปางก่อนหากจักซนนำตางอยู่หอควางบ่อใดเจ้าเปิ่นไลครับนี้ย้อนตัวมีบุญน้อยเชื่อจะดถอยจันไร สองนองไว้เก่าแล้วก็กาดแก้วลีลาลงพังกาภาศาสน้ำตาหยาดเป็นสาย่า ย, ายิงใจน้อยใหญ่ร้องรำให้จูคนคนโกละหนมีกองเกิดตัวต้องวังดวงคนปันปวงลุมเทาตวัวทรงเจ้าเตวีก็มีหันแลนะ ธรรมทังประกาศเซ้นต่อศาาาัทธาสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบัดทอยบาลี <c oughs> บทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวาญาตาอุพเตวิโยดังนี้เป็นต้น <c oughs> พิกเวดุราพิกูตั้งลายอันเป็นสายอาริญาเจ้าอันว่าสองหนุ่มเนาเทวี ให้กำดีตื่นจ้อยลาข้าคอยกัญญาแล้วไกกาลีลาจากภาษาใสสียะตาและมีกาละเพื่อได้ดังอันตาตาในกาละนั้นใส่นางกอมใจกัญญาเข้าโซกามวนไม่ร้องรำให้เรรน้นตีอกตนทาทา ป, ปอสาราบตั้งคง ผู้คนโรงน้อยใหญ่บ่เว้นไว้คนใดรักใส่ใจแม่เจ้ากับลูกเต่าตั้งสองน้ำตาน้องอับ ย, ย้อ <c> ย <oughs> ให้เก่าถอยคำดีว่าขอเทวีแม่เจ้าอุดสงเศร้าเคือ่องกาเข้าดงดาปากกว้ า, วางไพ ย, ย่างมาเบียน สาปาเกียนอุบาทจุงก้อยกาดนีไก่คนฝูงได้เยร่ายบาปจุงใสตัวตั้นเฮตัวมันจู่ผู้ไดเข้าสู่อบายเอว่ำวายวินาอย่าไดกาดกาไกหมู่คนในใหญ่น้อยริรำทอยหลายแสงเหตุรักแป้งบ่แล้วยังสองนอกแก้วเตวี ตัวปูรีเมืองใหญ่ตุกโศกไม่มองผ่านกันสองนองค้นน้อยหนาดใหญ่ย่างบาทนีลาเตี่ยวลงมาต่ำใต้จุมคาใจคนใน <c oughs> ตัวจอมไปเป็นหมูให้สะสู่เป็นสายคนยิงใจหนุ่มเทาไหลหลังเข้าจอมตั้งส่งสองนางแม่ไทยจะจมให้ไหลผาก า, าร จุมคนห่านมวลหมู่วังแวดอยู่ภายในน้ำสองลงไว้หนุ่มเนาวกับสองเตาลูกเตาสองขารีบนีลากระผากออกไปจากเพียงใจยามตาวันใสแดดร้อนดาบายคอนลงแรงก็มีฮันและนาะ <c oughs> อันว่าพวกน้อยคนหันนำสองดงคานแม่เจ้ากับลูกเต่าใส่ใจจากเวียงใจแต่ต้องเข้าสู่ห้องดงควางหาหนตางบ่อใดไปจะใจหลายวันถึงดงตันป่าไม่บ่อใจไกรเวียงใจ บ่อีิภัยไปรอดเขากอละสองยอดเตวีแล้วก่นีขึ้นสูญยังติยูปุรีสองเตวีนอนเนากับลูกเต่าสองขาตกดงนาป่าไม้บ่อรูหอนไตหอนเหนือเป็นคุ้มเครือจดที่บ่อรูตีตั้งไปพอตั้งได้บ่อปองสัดไ ร, รยร่องปูนกัว โอมยังหัวอยากเห่าร้อนผ้าเาวตั้งคิงสองดังยิงแม่ไทยตุกโศกไม่นักนาส่วนสองขาลูกเต้าบอโศกเศร้ามองผ่าน <c oughs> ลูกไม่หวานมีมากสองเจ้าหากยินดีสุขดิบมีลายหมู่ตั้งต้นอยู่เรือลายสองบุญภัยกินกูเนี่ยเล่นลู่จิ้งกัน แล้วยืนปั่นคือแม่ว่าวาันแต่ลองจามลูกนี่งามบ่เศร้าคอแม่เจ้าลองสะเว่แล้วแล่นเลยซอไ่ตามตีไกมันดาห <c oughs> นอปุถธานยอดซอยคือเจ้าดาดน้อยสินธนูใจถือดาบคมใส่ดามแก้วสะไปแล้วยังกุงธนู <c oughs> เยี่ยพอดูอไปนาดังพรานป่าวะเนจรส่วนนอผูท้ทอนสิงหาราชเยี่ยเป็นสีห้านาจอมหลังเสียังพอดังมีกองดังเสือคงร้องอื้อข้างสองจิงบางลมเนากับลูกเ่าสองขาตกลงนาป่าไม่ ตูกโศกไ่เหลือใจกันตาวันใสตกตำจกไกลคำจนตาก็เสาะหาที่จอดอุ้มลูกกอดกับตนใจเวว้นปันกว้างกลัวรแรดจ้างเสือมีตั้งยักษ์พีกาหยาบจักกันกาบเอาไปสะหนีลงไวหนาดน่อยงามจื่นจ้อยปตุมมา จิงไวสาเอินเป่าถึงเตปเต้าเทวดาวพุวนโตเทวสังคายโนดุราเทวาดาเฮมวนหมกาอันอยู่ดงด้านตัวหิมมาปานป่าไม้ตั้งเตปป่าไทยอินตาจตุโลกะปาลาสิตา เถืองเขตดาวมหาพรหมตั้งผาญาญมยศใหญ่นางนาฏไทยทอรณนีเทวะดามีจุหองไ <c oughs> ขยเขตตองจุงมปูจุงอินดูผู้คาเพื่อนครับกว่าดีไกตกดงไพ่ป่าไม่ร่อนเดือดไม่นำนา ้อเจิดมาจวยกั้มเฮือหลวงลำอ้นตารอยาหฮือตายความนาที่กลางป่าดงดอนแดดเตอตาตาในกาละนั่นคุณอินตาเจ้าฟ้าสะเวยแหลงลาสองสะวันกอล่งหันเก่าเหตุรู้แจ้งเจ็ดบัดเดียว ว่าเจ้าตาเขียวดอนน้อยกั๊ยอดซอยมันดาตกดงดาเถื่อนทองไก่จากทองเบืองคนพงเร่ร่นร่อนไม่เหต้าไทยปีตาฟังกำจาสนสหมอเท่าหล่อแป้งกำลวดขับจำลูกน้อยเฮกาดก่อยเวียงใจ กวนกูไปอย่าจ้าช่วยเจ้าดอลาเร็วปันกันถึงวันผูกเจ้าเต้าเป็นเจ้าอินตาก่อไก่ก า, กาลีลาจากภาษาสเมืองพนดงไพสนป่าไม้เนระบิดไว้เร็วไวยังห่อใจภาษาสงามวิลาศใสสีเครื่องใจบีลายสิ่งเขานำนิ่งลายพากการตั้งส่วนอุญญาณดอกไม้ <c oughs> เนระบิดไว้จุ่โหอันอันแล้วคุณสาวันเจ้าฟ้าก็กับเปรตนาเป็นพรานดัดดงดานไปรอตีเจ้ายอดบุญมีกับตวีกินกูพงยั่งอยู่สาวแรงอินทะาแหลงตันเต้าเงียแสงเก่าพุทธชาธรรมขีญาแต่เก่า ซึ่งสองเจ้าเตวีว่าดูราสองสลีจืนจ้อยกับลูกน้อยายใจเป็นสันได้แต่เต้าละสอดเข้าดงตันจุงไครปันเกาอู่ฮือแกปูตามีแ ด, ดเตอ <c oughs> วันเมื่อนั้นสองเตวีนัดน้อยก็กเกาทอยคำบานตอบนายพานผู้เท่าหื้อหกูกาตามมีก็มีหันและนะ่ะเมื่อนั้นอินตาเจ้าฝ้าอันกับเป็ดาเป็นพรานฟังคำบานจินจ้อยแห่งยอดซอยเตวีจริงไขวาตีเกาวทอง บอกที่จ้องตั้งไปว่าจุงไว้อย่าจะไปสื่นากองตามีผางกาภาสาดงามสะอาดใสสีห้ อ, องกินมีจุ้ยเยื่งกับตั้งเครื่องอลังการมีมานานแต่ไทยปู่หากใดหันมาเทวดาปากกว้างเนรมิตสร้างเดิมอ่อน ว่าได้จอนผ่านป่าคนอยากจะอาทมยักดงดำบาปเศาบ่าอาจเข้าถึงในฮ้อนเหมือนไฟผู้ไม่เข้าบ่าได้ถอยนีลายหลักมีบอกไว้ว่าคนลงไตยยิงใจแม่นใจภายแพ่กว้างมักก่อสร้างตางั้งบุญทารงคุณองค์อาจศีนบอกขาเสียตน เดินเที่ยวหนไปรอดเขายังจอดตามใจคอสะลี่ดงไว้ยอดซอยกับดุกน้อยสายตาจุงไก่กาตั้งหมู่เข้าไปสู่เร็วปันก้ <c oughs> อนคุสนสวรรค์เ ก, ก่าแลาะกอลานางแก้วสองสีเข้าดงรีป่าไม้ละเป็ดไว้สับปันปอกสวรรค์ไว้ว่าถึงภาสาดเวจัยนนก็มีฮันและนะ ว่าส่องเทวิหนุ่มนากับลูกเตาใสา่ใจลัดเตียวไปฝั่งเฝ้าตากํำเก่าอินตาก <c oughs> อสตาแล้วาทันภาษาเจียงคานมีใจบ้านจื่นสูรีบเข้าู่ไปในดูงงามใสเลิศแล้ว <c oughs> พาดับแก้วและคำแดงเขื่องขัวแป้งลายหลากเสื้อผ้ามากอลังการตั้งอาหารเขานำมีพร้อมพานำนาดังคนด้าแต่งไว้ตั้งลูกไม้หัวมันมีตุกอันตุกสิ่งสองเจ้ามิ่งเตวีกับสองซาลีลูกเต้า ไอ้มนเศร้ามองผ่านใจเจยบ้านพ่องแผวยังอยู่แล้วไปบนเกาะมีหันและนาตามัดทางปะกาเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูตนเป็นครูแก่โลกเอพ้นโสกมองผ่านหันอุเตสาวราไปแจ้งพระจริงแสงเตสนะว่าโพธิสัตว์ทัะ กุณาเตเจนะดังนี้เป็นต้นพีกาเวดุราพีกกตั้งหลายอันเป็นสายอาริยเจ้าลลกสิทธเก้าสปัญยูปังเมื่อกูไปเกิดเอากำเนิดเป็นสินธนุใจเจ้าจอมไต้ตนป่อฟังคำสอมุสา แห่งโหราบาบเศร้าเล่าลมเป่าถึงหูเอาตนกู้ไปปล่อยกับแมน้อยเตวีกลางดงรีป่าไม้ตุ๊กศกไม่มองผ่านด้วยสมปานปางก่อนแห่งเจ้าน้อยอ่อนพุทธาคุณอินตาอยู่ฝ่าเจ้าพนาริ่งหัน ลงมาปันาา่นต萨งามวิลาศวันไว้กลางดงไพรป่าเศร้าฮหือแก่เจ้าบุญมีอันว่าเตวีแม่เก้างามบ่เศร้าสุวรรณปภภากับบุตรตาน้อยนาดคือสิงหราตัวหานและนางนงคานแม่น้อยงามเจืนจ้อยปตุมา กับนอปุธาเก่นไทยหายศกไม่เร็วพันก่อปะกันตั้งหมู่เขาไปสู่ภายในยินสุขใจลำเลิด <c oughs> เครื่องติบเกิดยังยายมีลวงลายบ่อหน่อยบ่อรูถอยบอกบางตั้งสองนั้งหนุ่มเนากับลูกเต้าสองขา อยู่ผังกาภาษ า, า, าอันอินตาธิราชแปลงปันกลางดงตันป่าไม่อินอันนับไดหลายปีบ่อเครื่องขี่บนเ้าลืมบ้านเก่าเมืองลังหิ่งแดงดังบ่อขาดดังเปียปาดเวียงใจนกในภัยรำร้องดังดังเถื่อนทองลำนำ ลมต่อตำดอกไม้หอมเ bon, สีสงยงไข่ดงร้อนบ่ออาบอนกันอยากบ่ลำบากเครื่องตากาศถาสีเต้าอยู่จืนเย้าเจยบบานเองเมิดนอนแต่เล่าท่าลาบต่อเต้าสินทนุใจจำเริอนไว้ขึ้นใหญ่าอาอยู่ได้สิ ป, ปี โรงฤทธิ์ลำเลอเตจะเกิดกวรอ้มถือทะนู ง, งามดาบกาสอดไข้ป่าดงนาสวนบุษ ธ, ธาแม่เก้าคือว่าเจ้าสิงหาราษขนคำารธิที่นำใจจ้าสะยองขึ้นฟ้าเรียวยำวดำลงไปใต้น้ำใดพ้อพําดังผ้าทรงแอวเดินดงเถื่อนท้องเป็นกูน้องสินทนุใจ กันใส่ใจน้องลาไข่แอวปาดงตันก็ภายพันขึ้นขี่บนหลังปีสัยองสานเป็นนิจักาันจะใจบ่เ ว, ว, ว้นไว้วันใดก็มีหันและนะตาตาในกาละนันใสยังมีพันใหญ่ใจหานจือโสนุตตะพรานหัดเท้าอยู่เขตเต้าปัญจาละนาคร มันเตียวจอสอดป่าแอลสอดลากวางทรายเอามาขายเลี้ยงใสเป็นใจใจนิรันยังมีวันหนึ่งเล่าพรานผูเทาปาลาเข้าดงนาป่าไม่นับอันใดหลายวันจริงไปหันพระศาสแห่งสองราชเตวีกลางดงรีเถือนทองวันนะสองต่ตตา พ่านสังกาบอกแล้วว่าพาสร์แก้ววันไวเป็นคนได้มาสร้างกลางปากวางดงตันหรือกุมพันยักใจเนระบิดไว้เสาแรง <c oughs> หรือว่าเตวดาแปลงแต่งไว้เฮแต่ป่าไทยองไดกวรกูไปถึงตีพอเอที่ถึงใน มันก็ไปที่ไก่พาสาัตย์ใหญ่ใส่สีเกาะหันเตวีแม่เก่างามบ่เศร้าสุวรรณปภาตั้งป่าตุ้มมาหยอดซอยและลูกน้อยสินธนใจอยู่ไปในภาษาตั้งสิงหาราชขนคำพันดงดำจำได้รีบน้อมใบทุนสาร ธรรมการแต่เก้ววาว่าคาเดเมเจ้าเทวเต้าครับนี่จำกว่ามาอยู่ป่าดงไพรห่อคำใสใหญ่กว้างไพ่แต่งสร้างยอดถวายเขื่องขั้วไ า, ายผ่มพ้อมผู้ได้น้อดมดำมาสองบุตตาดอนเอาบอโสกเศร้าเครื่องขี่สองเท ว, วีเม่ไบบอร้อนไม่สังจา้า บุญนำมาจบไข่ข้าจิงได้มาหันดังกำฟันแต่เล่าขอแม่เจ้าขุนน้ายาโกท้าข้าน้อยอันเป็นข้าคอยเดิมอ่อนแดเตอหั ว, วอันเหมือนนั้นสองเตวีนาท้อยก็กเาท้อยคำหวานบอกนายพรานผู้เท่าตั้งแต่เก้าถึงไป ด้วยปริญาใหญ่แหล่คือแจ้งแก่พรานไพรแล้วทำไปไปนาว่าตนเจ้าฝ่าบุญมีกับเตบวีหกผู้ยังก่อยอยู่ตี้าปุงโรก า, าปาดบอมาปาดสันดานยังสุขบ้านคำเจ้าบ่อสศกเศร้าสังจ้า จุมเสนามาตังาาต้งคาถาคนใดแลภัยใต้ใหญ่น้อยบ่อต่าก้อยเครื่องขี่เขาน้ำมีหลายแหล่ลูกไม่แพ้พับเมืองคนบ่อเคืองโกเศร้าเป็นดังเก่าจารือตีนันโสนตตะพรานผู้เท่าก็ตาเหล่าต่มีือเตวีตั้งกูได้แจงรู้จู่ภาการเกาะมีฮันแลลนาะ สองเทวิหนุ่มเนาซ้ำตันเหล่ากําบานว่าขอดุงพานป่าไม้ย่าเรียบไดละจรจุงอยู่นอนยังจอดเือยหิวหอดไม่หายถึงยามไงพวกเจ้าก้อยปอกเตาเวียงใจผ่านจังไรใจถอยได้ยินถอยกําดี พี่ตีมีจอมากลวดบ่อผากไก่กาถึงวันมาพูกเจ้าก่อลาสองเจ้าเทวีแล้วก็นีขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองตนอันอยู่หนแห่งห้องพระตต้องปันจาลณากรว่าเนจรผ่านป่าใจหยาบจะาธรัดดงดำเทียนทอง มาหอดทองเวียงใจก็รีไปน้อมไบหกเก่นไทยเตยวีว่าส่องสดรีหนุ่มเนาเือแม่เก้าสุวรรณปภ า, ากับจาญ่าสุดส้อยคือนางดัดน้อยปตุมมาแลบุตตาตังกูได้ไปอยู่ดงไพ หนตั้งไก่เรี้ยวโหลดหลายสิบโยดกันนาคน่าหันมะเป็นแก่นมีแต่เป็นตามคำพาสาดคำสะอาดงามวาววาดวันไว้ผ่าดับไปด้วยแก้วงามเลือดแล้วปูนดูพับจุมปูโลกไตบ่อเพียบได้เตรียมตั้นมีทุกอันเขื่องใจบ่ออยากไรเขื่องขี้ สองเตวีนมเนากับลูกเตาเจยบ้านสุขสำรานลำยิงบอ่อคองคิงกันได้ลูกใส่ใจแก่นไทยพงขึ้นใหญ่เร็วรามรวบกิงงามใจจา้จาเตจักกาเสิงซาตัวดงนาป่าไม้แอวได้ไข่สับปันค่าได้หันแจงทีจริงมาจีทุนสาบัตรี้และนา โอเตวี บ, บาบเศร้าฟังคำเทาพรันไพร ย, ยินตกใจจูฟผูกกลัวเปื่นรู้ไปลายจริงอุบายต้านต่อว่าคาแด่อนายพานคาลูกลานยินข่าวใจจืดเยงายินดีนเหตเตวีตั้งขู่ได้สุขอยู่เจ้าน ในดงดานปากว้างบ่มวยบังมราณาตั้งบุตตาที่ราชบก่ก้อยกาดเมื่อมอนค้ า, าวอนคำเจ้าตุกโศกเศร้าขี่มองมีใจปองกึดรอถึงสองยอดเตวีกว่าสองสลีนัดไทยร่อนเดือดใหม่เครื่องกาพ่อได้มาบอกกล่าวว่าสองเต้าเจอยาน อยู่สำราญบ่ขาดในภาษาใสสีคานินดีจู่ผู้ข อ, อย่าวไปหลายตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยตั้งข้าคอยคนในย่าฮือไัยได้รู้จุงดักอยู่เดียวได้ย่าไปถยน่นมใบแก่เต้าไทายราจา อย่าทุนสาบอกข่าวแก่ตันเต้าตาเมีนยนอย่าเจ้าปุรีโหดกาจักไปตัวข้าสองสลีเลยนะกันว่าจาก่าวแล้วก็เอาแก้วและเงินคำ ม, มีนนำนําไลแลยืนปั่นแก่นายพรานก็มีหันแลยนะ นีิที่ตั้งขีญาสังวนนาาวิเศษจาห้องเหตุสังสินธนใจผูกทวนห้ากอบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลลว